หลักปฏิบัติเพื่อบรรลุพุทธภาวะอีกในหนึ่งข้อสังเกตในเมื่อจิตของท่านไปสู่ภูมิอันละเอียดจิตสงบนิ่งเดินอยู่ในสภาวะปกติและมีสิ่งให้รู้ปรากฏขึ้นภายในจิตซึ่งตรงกับคำว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาทีนี้ลองสังเกตตัวกิเลสกันดูทีว่าในขณะที่สภาวะจิตเป็นอยู่อย่างนั้นและมีสิ่งที่รู้ปรากฏอยู่อย่างนั้นหากว่าจิตสักแต่ว่ารู้รู้แล้วก็ปล่อยวางไปโดยอัตโนมัติไม่มีความยึดถือในสิ่งใดๆ จิตก็อยู่ในสภาวะที่ประชุมพร้อมแห่งอริยะมรรคตัวกิเลสก็ไม่เกิดขึ้นมีแต่ความเป็นปกติแต่ในบางครั้งสติอาจจะเผลอไปนิดๆเมื่ออะไรเกิดขึ้นถ้าหากว่าจิตยินดีนั่นกามสุ ข, ขันลิกานุโยกถ้าจิตยินร้ายนั่นอตตะกิลมทฐานุโยกถ้าจะกำหนด โดยตัวกิเลสกามาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาจิตยินดีในภพนั่นกามาตัญหาจิตยึดนั่นภาวะตัญหาจิตไม่ยินดีในภพนั่นคือวิภาวะตัญหาแต่ถ้าไม่มีอาการดังกล่าวนั้นเพียงแต่กำหนดดูสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่ตลอดเวลาไม่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นแม้แต่ประการใด มีแต่ปกติปรากฏเด่นชัดอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นตัวประชุมพร้อมแห่งอริยมรรคศีล ก, ก็เป็นอธิศีลจิตก็เป็นอธิจิตปัญญาก็เป็นอธิปัญญาดังนั้นจึงใช้ได้ในภาสิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้แลแปลออกมาเป็นคำไทยว่าศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาและทีนี้ลงทางสุดท้าย ปัญญาก็ย้อนออกมาอบรมจิตนี้คือหลักการปฏิบัติในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุธทธเจ้าที่จะก้าวนำไปสู่ภูมิธรรมอันจะพึงเกิดขึ้นภายในจิตมีพุท ธ, ธะปรากฏเด่นชัดอยู่ <been> การทรงไว้ซึ่งความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นกริริยาของพุทธ การทรงไว้ในสภาพปกติตลอดการเป็นกิริยาของพระธรรมกิริยาที่เกิดความสังวรระหว่างโดยอัตโนมัตินั่นเป็นกิริยาของพระสงฆ์สุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติตรงญายะปฏิปันโนผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงสามีจิปปติปันโนเป็นผู้ปฏิบัติชอบยิ่ง ถ้าภูมิธรรมของท่านผู้ใดสมควรที่จะบรรลุโสดาสกิทาคาอนาคาอารหันได้ก็กลายเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาด้วยประการชนนี้อตมาได้แสดงพระธรรมเทศนาพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของคณะท่านเจ้าภาพที่มาร่วมกันทอดกระถินเพื่อสนองพระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระราชมุนีซึ่งเป็นอาจารย์ที่เคารพ บ, บูชาของพวกเราทั้งหลายและได้พร้อมใจกันแสดงออกซึ่งคุ ณ, ณธรรมอันเป็นหลักฐานเบื้องต้นซึ่งเป็นคุณงามความดีและเป็นพื้นฐานให้เกิดคุณงามความดีด้วยประการทั้งปวงก็สมควรแก่การเวลาในท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนานี้ขออ้างเอาคุณพระสีรัตนไตรคือคุณพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์และบุญบารมีของบูรพาจารย์ทุกพระองค์ที่ผ่านมาจงดนบันดาลให้เราท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงประสบความสำเร็จที่ตนปรารถนาโดยทั่วกันโดยไหนดังเทศนามาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการชนนี้ จบฐานิยะปูชา2554รวมเกล็ดคำสอนของหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยรวบรวมและเรียบเรียงโดยดรดาราวันเด่นอุดมสนใจหนังสือของหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยสามารถติดต่อได้ที่ thaniyo.com thaniyo.com ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนโครงการอบรมพัฒนาจิต และโครงการอุทยานธรรมบูชาคุณหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยณวัดวะผู่แก้วอําเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาติดต่อสอบถามเลขที่บัญชีและการขอรับหนังสือได้ที่โทรศัพท์044211899 044211899 โปรยปกหลังศา ส, สนาพุทธคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนของปัญญาชนไม่ใช่คำสอนของบุคคลผู้เชื่อในสิ่งที่ไม่มีเหตุผลด้วยความงมงายศา ส, สนาพุทธสอนให้คนเรียนให้รู้ธรรมชาติและกฎของธรรมชาติบันทึกเสียงอ่านโดยโจโฉ สามารถเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ต้องเพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นห้ามจำหน่ายสภพทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง